เราอยู่ช่วงท้ายๆของสุลตัดอตบะเหลืออีกสิบกว่าอายาเท่านั้นซึ่งมีเรื่องที่มุสลิมทุกคนที่อ่านกุรานจะต้องทบทวนเมื่ออ่านกุรานได้จบท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งจะเป็นท่อนอายาไหลาอายา หรือสุรัก์สุร้อนหนึง่งได้อ่านแล้วภารกิจของมุสลิมทุกคนก็ต้องถามตัวเองว่าเข้าใจหรือยังนี่มันเป็นสเต็ปเลยลนะสัญชาตยาณที่ไม่เกี่ยวกับหลักศาสนาที่จะต้องคําหนึ่งแต่ถ้ยิ่งในหลักการศาสนานี่มันมีนะว่าอ่านแล้วต้องเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีหลักการที่จะสั่งให้เรา ได้เรียนรู้ให้เข้าใจคุตตานนะ่ะมันเป็นสัญชาติยานของคนทุกคนนี่เวลาอ่านอะไรเรียนรู้อะไรฟังอะไรนี่ก็อยากจะเข้าใจานะฟังฟังคนอื่นเขาพูดภาษาไม่ใช่ภาษาเราคําแรกที่เราต้องพูดเลยอะไรกูฟังไม่เรื่องสนทนากันแล้วคุยกับคนละภาษาเราคุยกันภาษาเดียวแต่ไม่รู้เรื่องเขาเขาคำแรกที่ต้องพูดเลยกูฟังไม่รู้เรื่อง ก่อนนี้จะไปสเต็ปอื่นว่าอะไรเอาเรื่องนี้ก่อนฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องพออ่านกุศอ่านแล้วเอา้าเราอยากจะเข้าใจก็เลยเข้าใจแล้วสเต็ปถัดมาเนี่ยขั้นตอนถัดมาเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ทั่วไปนี่อาจจะไม่มีอันนี้ต้องเอาหลักการศาสนามาํำชับ เข้าใจแล้วแล้วกูอ่านที่เราได้อ่านไปแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างในชีวิตของเราแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของเรามุาสลิมทุกคนต้องมีต้องมีไม่มีก็แสดงว่าเราไม่ต่างอะไรกับมีต่างศาสนาคนหนึง่ง เป็นเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เขาบอกว่เาเขาอ่านกุรอตันดังเล่มท่องจํากุรอตันหลายสุรแต่เขาไม่ได้ศรัทธาเอาแล้วทำไมทำไมอ่านกุรอตันทําไมต้องท่องจํากุรอตันแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กุรอตันเขาบอกว่าคุรอตันนี่มีคุณค่าด้านภาษาด้านหลักนิติศาสตร์มีประโยชน์เขาก็อ่านแต่เขาไม่ได้ศรัทธา ถ้าเป็นแบบนี้มุสลิมอ่านอ่านเข้าใจก็เข้าใจแต่คุตอ่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเขาเนื่องจากว่าประโยชน์ที่เขาต้องการจากอลัลกุตอ่านนั่นก็คื อ, อรสนิยมในสังคมจัดงานก็ต้อง ก็ต้องเปิดงานด้วยอาา่านคุฎอานแล้วจะไม่แล้วจะไมใช้แล้วไม่เปิดไม่เปิดด้วยกุอ่านคงไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะรุสโนิยมคือเขาไม่ได้เอากุฎอ่านมาอ่านเพื่อเป็นทางนำมีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานที่หนึ่งในประเทศไทยไม่ต้องเอ่ยแห่งหนึ่งนะอ่านคุฎอ่านแล้วก็งานใหญ่มากงานใหญ่มากเลย ร้านค้าเนี่ยจะมีทั้งร้านขายบุหรี่ตะกอนนู่นยังไม่มีกระท่อมไม่มีกัญชาญแต่ถ้าแต่ถ้ามีในป่านนี้เนี่ยก็คงค ง, คงไม่รอดนะขายบุหรี่แล้วก็ขายขายซีดีตะก่อนนุ้นตะกอนนุ้นเป็นเป็นแฟชั่นซีดีซีดีหนังซีดีเพลงอะไรไอ้ร้านนี่มันก็เปิดก็เปิดซีดีเพลงของมันนะ่ะไอ้บนเวทีเนี่ยเขาก็ เปิดงานอ่านกุรอานเนะีเสียงตีกันทนไม่ไหวทนไม่ไหวโชคดีว่าขึ้นบรรยายคนแรกเพราะแต่แต้อยู่ต่อไปนี่แล้วก็มีชนกันแบบนี้นี่ก็คงเส้นสมองตีอะไรกขึ้นสักอย่างพคนณเวทีวก็ ผมขอเนุญาตนะผมนี่จะบรรยายจะมีเรื่องกุรอ่านมีเรื่องศาสนาพูดถ้าร้านมีขายบุหรี่เนี่ยแล้วก็มีร้านขายเพลงดีวดีเนี่ยผมไม่สะดวกบรรยายครับไม่สะดวกบรรยายผมรอคําตอบนะกรรมาการจัดงานนะมีใครอยู่ที่ไหนมีไหมเนี่ยผมผมขอแล้วกันนะปิดร้านเนอะ ถ้าไม่ปิดร้านเนี่ยก็เลือกเลือกจะเลือกให้บัญญาหรือจะเลือกให้เอากําไรเอากําไรจากสิ่งที่ฮารอมเขาก็เขาก็บอกว่ปิดปิดแล้วก็รับปากโดยจะปิดแตาไม่รู้เนี่ยปิดหรือบ่าแต่เขาเขารับปากว่าจะปิดปิดหมดเลยแล้วก็จะไม่ให้ขายบุหรี่ผมก็ไม่ได้ไปตรวจสอบตามแล้วว่าเขาไม่ได้ขายจริงหรือเปล่าถ้าเขารับปากผู้ใหญ่ในงานเนี่ยเขารับปากว่าเขาไม่ขาย แล้นเงินที่ได้มาจากการจองร้านบุรีเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่เอางานนนี่งานลืมบอกว่าเป็นงานของสุนนาด้วยนะงานกลุ่มก้อนสุนนาใหญ่แห่งหนึ่งในในในในราชอาณาจักรไทยเนี่ย ถ้ามีกุรอ่านอยู่ในใจเราอยู่ในชีวิตของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราเลยเลยนะยิ่งอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ อ, อ, อย่างงานศาสนาอะไรเงี้ยผมบอกการที่มีกุรอา่านมันก็เหมือนต่างศาสนาเขาครอบครองกุรอ่านอยู่ในบ้านสักเล่มหนึ่งไม่ต่างอะไรกันมากต่างศาสนิกบางคนที่อ่านกุรอา่านเรียนรู้กุรอา่านในบางทีเนี่ย อาจจะมีปฏิกิริยามากกว่ามุสลิมเดิมคนเรียนรู้กุรานแล้วไม่ใช่มุสลิมสนใจอิสลามะนะพอเรียนรู้แล้วคือคือกุรานนี้ส่งผลเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยทั้งนี้นเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มุสลิมบางคนมุสลิมเดิมมาเนาะคุรานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตของเขาเนี่ย น, นี้เป็นเรื่องที่หนักเรื่องที่ผมพูดนี่ทั้งหมดนี่เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับ อายะที่หนึ่งร้อยสิบเก้าตัดมาจากสอ ง, ส อ, งอายะที่เราจะเรียนรู้เนี่ยแต่จะเน้นเรื่องนี้หน่อยเพราะสองอายะแรกเนี่ยร้ยสิบเ็ด้อยสิบปดนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของข้าพิมณีมาลิกสามคนที่ไม่ได้ออกไปสู้รบแล้วท่านดับิโซโลลล์ซาลลมสั่งการให้เมืองมาดีน่าในบอยคอร์ทเขาจนกว่าเราจะตัดสินว่า จะให้ทำยังไงกับพวกเขาซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยอธิบายอย่างละเอียดแล้วรอบหนึ่งเราบอกว่าเดี๋ยวจะยกยอดส่วนที่เป็นบทเรียนเนี่ยมามาพูดในครั้งนี้เนี่ ย, ยได้ถึงเวลาละที่ผมพูดเรื่องภาพสะท้อนของกุฎอ่านในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่สอ ง, สองประเด็นหรือสองขั้นตอนขั้นตอนแรกกุฎอ่านเนี่ยเหมือนกระจก อุรอ่านนี่เหมือนกระจุกขั้นตอนแรกนะทายังไงให้กุฎอ่านเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยเราเห็นตัวตัวเองเลยเพราะกุฎอ่านนี่ได้เล่าคุณในลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงอัลลอฮ์บรรดามุตเตกีนบรรดามุฮซินีนเตอีบูนละฮะบุนลฮามิดุนนี่ไอ้ยาที่พานไปแล้วคนที่ทําความดีทั้งหลาย น, า น, น, าตต น, นี่ อ, นนอันนี้กุฎอ่านเล่าให้ฟัง ซึ่งมันต้องสะท้อนกับตัวเราและเราอยู pues ่ในหมู hmm. ่พวกนี้หรือเปล่าอุปนิสได้เล่าพวกอัลกาฟิรินพวกอัลมุนาฟิรินอัลมุฟซิดีนผู้ปฏิเสธสัตย์อัลกาฟิรินมุนาฟิรินพวกทรับหลับกับกออัลมุฟซิดีนผู้พวกก่อความเสียหายบ่อนทำลายบนพื้นแผ่นดินในโลกดูนี่เราอยู่ในกลุ่มนี้ หรืออยู่ในกลุ่มไหนหรือเรามีมีทั้งเรื่องนี้แล้วก็มีเรือ่องกุศลต้องต้องสะท้อนให้เราได้เห็นเพราะอ่านยิ่งอ่านเรายิ่งยิ่งสว่างสว่างหูสว่างตาในตัวเรานะในตัวเราไอ้ที่แบบอ่านกุานแล้วมันไม่ได้สะท้อนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเนี่ยก็แสดงว่ากุอานยังไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนเงาสะท้อนภาพของเรา มีเรื่องแรก็กพอไหมอุตรอ่านเป็นเป็นกระจกสะท้อนภาพของตัวเราพอไหมก็เหมือนคนเหมือนคนคนหนึ่งมีมแมลงสาบนี่มันเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่มองไม่เห็นไงตามราเฮ้ยอะไรเนี่ยทํายังไงดีอ่ะเอากระจกมาดูพอดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมแมลงสาบต้องทําอะไร ทำความสะอาดอะไรสักอย่างหรือมีคนค น, นึงนนอ่ะนั่งเรือแสนแสบเนี่ยกระโดนกระเด็นกระเด็นนี่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแต่ไม่รู้ไงมันมีมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งทำยังไงกระจกที่ไปที่มาของกระจกในห้องน้ําสาธารณะทั่วไปนี่อันนี้ถือว่าดีนะและบีเคยพบปากกระจกอยู่ในตัว ท่านนบีดูตลอดนี่มีกระจกที่ไหนนี่ยดีพอหน้าตาเลอะแล้วเน่ยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะพอถูกก ร, กจระจกเจอแล้วไอของดำํดำๆที่มันเด่นเนี่ยจเจอแล้วไอคนที่ใช้ชกระจกแล้วก็เห็นแล้วนี่ก็นี่แหละคืออ่านกุศอ่านแล้วนี่ยก็เห็นละตัวเองเป็นอะไรตัวเองมีปัญหาอะไรใช่ไหมพอไหม เขาก็เฉยไงเขาเห็นแล้วเนอะเออฉันฉันน่ะมีเนี่ยมุนาฟิกในฉันก็มีลักษณะของมุนาฟิกีเนียฉันน่ะมีลักษณะของกาฟรีเนียฉันน่ะมีลักษณะของพวกมุฟซิดีนีอย่างหนึ่งมีแล้วไม่ได้ทําอะไรก็นีและคนที่เห็นมีแมลงสาบอยู่ที่หน้านี่แหละก็ไปไปส่องก็ะจกแล้วนี่ก็ก็เห็นน่ะแมลงสาบแล้วทําเฉยเออช่างมันแมลงสาบช่างมันเห็น นจาจาซาหรืออะไรนี่เต็มหน้าไปหมดเออช่างมันนี่แหละสภาพของคนที่อ่านกุดอ่านนะกูดอ่านสะท้อนแล้วนะกุดอ่านเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้และรับทราบข้อตําหนิข้อติเตียนสิ่งที่ไม่ดีที่กูดอ่านต้องการให้เราได้แก้ไขแต่เราไม่ได้แก้ไขเหมือนเลยทีนี้ขั้นตอนที่สองนี่ยพอเรา มองกระจกแล้วนี่อ่านกุศลแล้วจราเห็นนะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพอเห็นแล้วมีมะเรงสาวอักพันทอเราเห็นแล้วนะเรามีลักษณะอะไรมุนอัฟิเกนเราต้องชำระเราต้องปีกตัวออกจากสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยมันมีสองมิติที่ดีกว่ากันนะ่ะมิติแรกเนี่ย คือกุตตานสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้เนี่ยด้วยการที่ให้เราได้เห็นภาพสะท้อนขมของเราเองที่เราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราไม่ได้อ่านกุตตานถ้าเราไม่ได้อ่านกุตตานเราไม่รู้หรอกมุนาฟิกีนเป็นยังไงมุฟซิดีมเป็นยังไงไม่รู้เราอยากจะเป็นผู้ที่มีตะควาเป็นพวกมุตตะกีเนี่ยจะเป็นยังไงเราไม่รู้พออ่านกุตตานแล้วเนี่ยเขาุตตานบอกนะมุตตะตีต้องทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยสะท้อนไง การทีส่สะท้อนเนี่ยสะท้อนอย่างเดียวนี่นะเราก็เราก็จะจัดการละขั้นตอนต่อมานี่ก็คือเราต้องเคลื่อนไหวละอันนี้คือมิติหนึ่งแต่กูอ่านเนี่ยมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่รู้นั่นก็คือพอเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีที่มีในตัวเราหรือสิ่งที่ดีที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะทำมันนะแต่เรายังทำไม่ได้ เรายังไม่ไม่สามารถบรรลุภาพที่สมบูรณ์ที่เราต้องการอันนี้เนยุรอ่านไม่เหมือนกระจกทั่วไปล่ะไม่มีหรอกครับกระจกที่พที่พอมองแล้วนี่แมลงสาบอยู่ในตำแหน่งแก้มข้างซ้าย เหนือจะหมูกไปสองเซนน่นน่ะวิธีีแล้วกระจกนี่มันจะแนะนำเลยนะมันกระจก a อไอะนะไม่มีกระจกนี่มันให้ดูอย่างเดียวและการชำระทำความสะอาดเนี่ยนี้เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเนี่ยมิติแรกของคุรานที่จะสะท้อนสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็เราต้องทำต่อแต่คุรานนีงมีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ ไม่รู้จะแก้ไขยังไงอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงมีบาปที่คุณอ่านบอกว่านี่บาปทําไม่ได้แล้วเขารู้ละรู้ตัวแล้ววนี่บาปนะ่นแล้วฉันทำอยู่แล้วไม่รู้จะเลิกยังไงตกตกหลุมหลุมอะไรหลุมรักตกหลุมรักนี่เยอะนะไม่ใช่เฉพาะหลุมรักไปรักผู้หญิงอนะไรไม่ใช่ ตกหลุมรักที่ไม่ควรรักอะไรก็ได้ตกหลุมรัก Facebook Instagram เกมมีมะตกหลุมรักเกมมีไหมโอ้โหถ้าพูดถึงเกมนี่นะทั้งคืนเลยตกหลุมรักดารานักร้องนักแสดงรถยนต์ เออมีนะี่ยเคยเห็นโหชอรักมากนะรถตัวเองตกหลุ่มรักทำความสะอาดรถนี่ทั้งวันเลยล้างรถทั้งวันเลย <c oughs> เคยเจอไหมมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยออปชั่นมอเตอร์ไซค์นี่โอโ้โห้วิ่งมอเตอร์ไซค์อย่างเงี เครื่องประดับประดานี่มันเยอะมันเยอะมากเลยดนั้นเห็นเรื่องนี้ที่ปากีเนี่รถบรรทุกรถยนต์เนี่ยไอ้หเครื่องประดับประดาเยอะมากเลยคือรถนี่มันเป็นอะไรสําคัญมากสําหรับคนปากีหลุมรักเหมือนกันตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึง่งหรือผู้หญิงตกหลุมรักผู้ชายคนหนึง่งทําให้ลืมหน้าที่เลย ลืมละหมาดหรือบางทีก็ไม่ลืมแต่ตั้งใจไม่ละหมาดนัดเขาแล้วไปกินกาแฟถึงเวลาละหมาดโอ้ยอายจะบอกเขาไปละหมาดศาสนามันก็มีแหละแต่มไม่ได้มีที่ละหมาดสาหรับผู้หญิงฉันจะไปละหมาดคนเดียวได้ไงมันน่าเกียดก็ต้องอยู่กับเขาหน่อยเป็นกําลังใจเขาแล้วก็คุยกันเรื่องศาสนาด้วยชัวร์ในขาออิยา บ, บ้างอะไรบ้าง ตกลุมรักพอพอถามไอ้นี่ทั้งหมดนี่รู้ปลว่ามันรู้รู้ว่ามันไม่ใช่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ทํำยังไงอ่ะไม่รู้จะแก้งไงนี่บทบาทบทบาทของกุรอ่านแต่กุรอ่านไม่มีตรงนี้นะนะคุรุอ่านนี่ก็จะเหมือนหนังสือพิมพ์เหมือนเหมือนวันณคดีเหมือนกุรอ่าน สามารถเปลี่ยนแปลงเราในสิ่งที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงปอุลอานสามารถสามารถทำการผ่าตัดในส่วนที่มันเน่าเฟะเน่าเสียเนี่ยและเราไม่รู้จะถอดถอนออกเป็นไงจากชีวิตของเรากุลลานสามารถทำได้ คนที่ตกหลุมรักกุาลสามารถแก้ไขปัญหาของคนที่หลงรักได้คนที่หลงดุนยาหลงดุนยาติดดุนยายึดติ ด, ต, ดติดนู่นติดนี่กุาลสามารถทำได้ยังไงกุศลนี่เหมือนหมอมีทั้งหมดเนี่ยอธิบาย อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เราได้เข้าใจกุานิมอนหมอถ้าเราไม่อยากรักษาเนี่ยเราก็ไม่ไปหาหมอถูกต้องไหแต่มีอ่ะคนป่วยนะแล้วก็คนรอบๆข้างเราไปหาหมอดนิไปหาหม อ, ไ, หมอไม่เขาไม่อยากจะไม่อยากจะไปแต่เนื่องจากว่า ย, กยากิญาตพี่น้อง ไ ป, ไปหาหมอไปกูปวดหัวละไปหาหมอหมอก็บอกว่าตัวเองในมีโรคนี้นะมีปัญหานี้นะต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้นี่เนยก็เหมือนกระจกนี่แหละมีโรคอย่างนี้ต้งส่เออครับขอบคุณมากครับคุณหมอบ า, บายๆแล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะค่าตรวจอย่างเดียวยาก็ไม่ยอมกินผ่าตัดก็ไม่ยอมผ่าตัดทํานู่นทํานี่ก็ไม่ยอมทา ทั้งทั้งหมอนี่บอกเนี่ยแนวทางจะได้แก้ไขมันเป็นอย่างงี้คอ่านนี่เหมือนหมอยอมว่ากุฎานเนี่ยเป็นหมอไหมถ้ายอมเนี่ยก็ต้องให้กุฎายอมต้องจำนนตัวเองเนี่ยให้คุฎานรักษาซะสำหรับคนที่จะให้ยอมให้หมอรักษานเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะเวลาเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยหมอครับจะทําอะไรนี่บอกช่วยบอกผมด้วยนะ จะพาอะไรจะอะไรจะตัดอะไรจะนล้วก็เนี่ยปลุกผมด้วยนะให้ผมรู้เรื่องนะผมจะได้จะได้บอกด้วยนะว่าให้ทํามอยอย่างนั้นมาเป็นหมอแทนมแก <c ười> มาเป็นหมอดีกว่า <c ười> คือเราให้กุณอ่านนี่มารักษาเราให้กุณอ่านนี่มาแก้ไขชีวิตของเรานี่นะเราต้องปล่อยตัวเหมือนที่เราปล่อยตัวให้หมอรักษาไว้ใจเขาและ ตอนไปโรงพยาบาลนั้นเขาฉีดยาชาเราก็ยอมยอมนี่เพราะเราไว้ใจเขาเรียบร้อยแลย้วเรารู้แล้วว่าทางรอดของเราในการรักษาสุขนี่ก็ต้องอยู่กับอยู่กับเาฉีดยาชาก็ยอมเข้าห้องผ่าตัดก็ยอมเอามีดนี่มาปาดนี่มากรีดผ่าหัวใจถ้าเราเอาหัวใจควักหัวใจขึ้นมานี่าทำอะไรไม่ได้ พอเรายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่านี่คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุรอ่านก็ อ, อย่างนี้แหละอ่านคุรอ่านโดยที่จะต้องไม่มีข้อแม้ในการรับฟังกุรอ่านอ่านคุรอ่านด้วยเจตนาว่าคุรอ่านนั้นสามารถแก้ไขปัญหานั้นนั่หะปัญหาที่ที่ที่ยังคาใจที่ยังยังไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนี่ยอ่าน อ่านแล้วก็ปล่อยปล่อยให้กุรอ่านเข้าไปปล่อยยังไงอะคืออย่างนี้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันที่วายากนิดหนึ่งมันจะต้องเจอแบบตัวอย่างกับตัวเอง ช, ะ ช, ะชะัดๆที่เราเห็นนะที่เรารู้สึกว่าเนี่ยกุรอ่านเนี่ยกำลังพูดกับฉันนี่นะนี่อันนี้อันนี้คือฉันเองเลยเนี่ยอันนี้คือฉันเองเลย ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยเรายอมให้กุฎอ่านเข้ามาเปลี่ยนทศนคติแต่ฉันนี่ที่พ่อพูดอ่านกุฎอ่านอ๋อบวกมันพวกนูน่นอ๋อกุฎอ่านคงไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงตัวฉันเองคนที่อ่านกุฎอ่านโดยเข้าใจว่ากุฎอ่านนีน่หมายถึงคนอื่นเขาหมดเลยเนี่ยเ ป, เป็นไปได้ไง อุตรลลอฮฺประทานลงมาแก่มนุษยชาติอันนี้โดยรวมนะและกับมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกคนนี่นะต้องรู้ว่ากุตรานนี่เนี่ยเป็นเป็นคำบีของเขาอัลลอฮฺประธานกุตรานลงหมายตัวเขาเองม่มีเราอุตรานหกพันอาย่านี่ร้อยอายาสาหรับประเทศไทยสองร้อยะายาสำหรับเมืองจีนอันนี้พันอายาสาหรับประเทศอาหรับงั้นนะอุตรานทั้งเล่มเลยทั้งเล่มเลยเนี่ย มุสลิมทุกคนเนี่ยครอบครองได้สามารถเอามาบรรจุอยู่ในหัวใจของเขาได้แล้วอัลลอ์ไม่ได้ประทานคุรานลงมาแต่ละอายะหกพันอายะนี่นะแล้วก็แบ่งให้ใช้กันหรือไม่ทั้งหกพันอายะนี้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องเรายอมรับเรื่องนี้ไหมเรายอมรับไหมว่าที่จะให้กุรานเข้าเข้าไปอยู่ในหัวใจ แล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีอะไรที่มันเป็นปัญหาชีวิตแล้วก็ทะลักออกมาให้มันทะลักออกมาซึ่งเรื่องมนณฑิ น, นเรื่องเน่าเฟะต่างๆเนี่ยให้กุศอ่านถอดตอนออกมาอาจจะใช้อ่านกุศอ่านครั้งเดียวอาจจะใช้ อ, าอ่านหลายครั้งบางคนนี่อ่านกุศอ่านครั้งเดียวเขี้ยเลยฟังกุศอ่านอายะเดียวสุรเดียวเขียเลยทุกอย่างเขี้ยเลยบางคนต้องอาจจะต้องอ่านบ่อยหน่อย เยอะหน่อยไม่เป็นไรเหล็กที่มีสนิมเกาะนี่วัตถุที่มีสิ่งโซโคสโคปกนี่เกาะติดแน่นเลยเนี่ยมันต้องต้องถูนานหน่อยนะต้องถูให้ น, น, นานๆหน่อยและนี่คือสิ่งที่สหาบาบางท่านที่เกิดปัญหาในชีวิตของเขาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด มันเป็นความบกพร่องที่ย่อมเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนแต่มันกลายเป็นมลทินมลทินที่ร้ายแรงแความผิดชนิดที่กระทำอะไรเยี่ยงของการกระทำของมุนาฟิกี น, นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วอัลลอ์สุบฮานวาวาตาลต้องการให้เห็นสองสองภาพ เพื่อให้ผู้สตาเปรียบเทียบภาพของนบีและสหาบยที่สนองบัญชาของอัลลอฮ์ให้ไปทําจิฮาดเขาก็น้อมรับคําบัญชาอัลลอฮ์แล้วก็ออกเสียสละชีวิตทรัพย์สินทุกอย่างเวลาของเขาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นี่ภาพนี้ภาพนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ในอายาหนึ่งสิบเจ็ดนี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้เราได้เห็นนี่ น, นี่คือภาพที่มุสลิมทุกคนต้องเป็นแบบนี้ต้องพยายาม มีเยี่ยงอย่างแบบนี้แล้วก็อีกภาพนึงภาพคนที่บกพร่องคนนี้ไม่ทําเหมือนภาพแรกเนี่ยลักษณะไม่เหมือนแต่เราก็ยังให้ทางออกสําหรับภาพนี้ด้วยว่าถ้าเขาจะแก้นะให้ภาพเ้านี่เหมือนภาพนี้นี่นะมีทางออกนะครับนี่คือเรื่องราวของสองสามอายะที่เราจะมาคุยกันวันนี้ ภาพแรกที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับรู้จากสุรอัตเตลบาลนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่ส่วนมากพูดถึงเรื่องคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความศรัทธาก็คือกลุ่มมุนาพีกินนะเลาเล่ามาเยอะแล้ะออยากจะรู้ไหมใครเล่าที่อัลลอฮ์พอพระทยัยไม่เหมือนที่ถูกสาบแช่งไม่เหมือนที่บิดผิวไม่อยู่ในแนวทางที่อัลลอฮ์สุวรรณอนุญาตกำหนดไว้นี่ต้องเป็นพวกนี้ بعدعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد ي ز ي غ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ر ؤ و ف الرحيم ครับเรานี่แล้วเด็กนบีกับเด็กซุนขามตะบุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษ ت ا ب الله ع ل ى النبي هيك ل ن ب ي هاي أ ب ا ي ت و ن تنبي, هيكا تنبي. دو و ا والمهاجرين ل ق ا ي ه ا ي ك ش ا و مهاجرين هو بيو والأنصار ل ج ا و أنصار ل ا تاب تاب كريانك ما ج มาจากเต้าบะต้องอธิบายนิดหนึ่งพ่อโดะกิริยานี้จะถูกใช้หลายครั้งเราต้องอธิบายพ่อโดคนที่ไม่เข้าใจความลึกซึ้งของภาษาอ раб นี่อาจจะงงนิดนึ่งแต่บะเต้าบะเต้าบะนี่คือกับเนื้อกับตัวใครที่กับเนื้อกับตัวเรามนุษย์นะถ้ามนุษย์กับเนื้อกับตัวนี่ก็คือกับเต้าบอฟูแลนุนคนนี้ได้ต้าบะต้าแปบว่าเต้าบะตัว เรามักจะใช้นามแทนกริยาเพราะสำหรับภาษาไทยไม่ไม่ไม่ต่างกันเราก็เต้าบัดตัวแต่นภาษาอนี่เขาต้องใช้กริยาแทบคนนี้ต้บัตัวคนนี้ตบแต่กริยาเดียวกันนี่แหะมาใช้กับอัลล์แล้วก็แทบอัลลอ์อัลลอ์ได้เตบัดแก่นบีและมุฮาจญีและอัอเราเตบัยังไงฮะฟังให้ดีนะแทบเนี่ยแปลว่ากลับ ที่บอกว่าแต่บ้าเนี่ยกับภาษาไทยนี่นะเออมันสอดคล้องกันถ้าแบบว่ากลับเนื้อกับตัวกลับเห็นไหมกลับเนื้อกับตัวแต่บบในภาษาเราเนี่ยมันกลับอัลลอฮ์กลับขาอก็ใช่เพราะว่าเดิมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้ากระเบ่าเนี่ยเดิมเนี่ยเราเราต้องสวามีภักดับพระเจ้าของเราต้องใกล้ชิดอยู่และเดิม เดิมเนี่ยเราเป็นชาวสวรรค์เดิมนี่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเนี่ยาราลฟิตร์ด้วยสัญชาติญาณที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดไม่มีมลทิน น, นี่เดิมพราะเราเนี่ยมีมลทินแล้วก็ห่างไกลจากพระเจ้าทุกมลทินนี่เนีให้เราห่างจากอัลลอฮ์ทีละนิดทีละนิดอัลลอฮ์ก็จะห่างจากเราอันนี้ทําแบบนี้แค่ยกตัวอย่างนะ อัลลอฮ์ก็จะห่างจากเราแต่ถ้าหากว่าเรานี่ตัดสินใจจะกลับกลับนี่กลับเนื่องกลับไปหาอัลลอฮ์เน่าแห่งที่อธิบายก่อนนั้กลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะกลับมาหาเราด้วยนี่ความลึกซึ้งหรือถ้าเราไม่เข้าใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบัตบจะกลับเนื้อกลับตัวหรอไม่ใช่อัลลอฮ์จะกลับแต่เรานี่จะกลับหมาถึงว่าเราจะกลับมาหาอัลลอฮ์เพราะเราต้องการอัลลอฮ์ชำระมนตรีให้เรา แล้วเราจะกลับอัลลอฮ์จะกลับเนี่ยเพราะอัลลอฮ์รู้พระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยแท้จะกลับเรื่องแบบด่วนนี่จะไปหาคนอื่นไม่ได้จะไปหาใครอื่นจากพระเจ้าไม่ได้แล้วไม่มีใครจะช่วยเหลือมนุษย์นี่ในเรื่องในการล้างบุญทินเนี่ยนอกจากพระองค์นั้นพระองค์ก็จะยอมกลับเพื่อมาช่วยเหลือเรา เ, เรื่องนี้มีฮดัดีษบุตผู้เชิ เ, เลยฮดั ด, ดิษบุติอันตริกด้วยบุคคล بخاري لمسلم ا ل ن ب ي بقول الله سبحانه وتعالى ل ا إذا أتاني إذا تقرب إلي عبد شبرا تبعكم ش ن ي خ و ك ل ي ها أتني. كاو ك ي كاو بيع الله ش ب ر ا ن ن كبر. تقربت إلي ذ را. كا جا كاو ك ا ي ها ك و ها كايل و نه ذ را نين سوك. หมายถึงว่าเราไปหาอัลลอ์เนี่ยเท่าไหรนี่นะอัลลอ์ก็จะมาหาเราเท่าตัวนะสอกกหนึ่งก็คือก็คือสองคืบใช่ไหมน่เท่าตัวว่ย์เาต่อรับอิลียดิรางแล้วก็เรากลับไปหาอัลลอฮ์ดิร่างหนึ aliens, ่งสอกาเราไปหาอัลลอ์นี่ิราหนึ่งสอกเนี่ย ตก็รบตัลใหญ่บ้ากันบ้ากันนี่อันนี้เขาเรียกอะไรวา้าะใช่ปะตรงนี้ถึงตงนี้เขเรียกวา่าวะมีใครมีข้อมูลไหมเมตรไม่ใช่ไม่ใช่บางก็เมตรเแหละไม่แต่แต่ในโบราณนี่เขาก็มีชื่อของเข า, านะเอ่ะว้าเนาะหลหะ่ะฮะมีคริสลาบล ะ, ะวานี่มันสองสองสอ ง, สอง S <S ใช่ป่ะเ อ, อ่สี่ศอกไม่ใช่แต่แสดงว่ญญาไม่ใช่ว่านี่นี่ี่ภาษาหนาเขาเรียกว่าบ้ากันบ้าคืออย่างนี้อาลับเนี่ยวิธีวัดของเขาเนี่ยเป็นทวีคูณหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยไปหาอัลลอฮหนึ่งคืบอัลลอ์ก็จะมาหนึ่งศอกถ้าเราไปหาหนึ่งศอกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะมาบ้านนี้ก็คือสสามคืบอะคือเพิ่มไปอีกหนึ่งคืบไม่พอ ว่านยชและถ้าเขาถ้าเบาหอร้อนเนี่ยได้เดินมาหาฉันเดินมาคือถ้าฟังแค่นี้เนี่ยมันก็ปลื้มแล้วว่าเออเราเดินไปหาเราไงแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะตอบแทนยังไงอ่ะนะเราอายถ้าเบาของฉันเดินมาหาฉันเนี่ยอัตยุตูหัวหละข้าจะวิ่งไปหาเขาข้าจะวิ่งไป นินะที่บอกว่าแล้วก็ตาบ่ถ้าอัลลอ์อัลลอ์กลับมาหาเรานี่อันนี้คือความกรุณาของพระองค์เนีที่จะไม่ปล่อยให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพที่อ๋อเราต้องตัวเองต้องต้องต้องสำนึกผิดต้องรู้ว่าตัวเองผิดมีมลทินมีอะไรแล้วก็ต้องไปหาอัลลอฮ์ไปกราบไหว้อัลลอฮ์อย่างเี้น่มีพวกพวกที่ปฏิเสธพระเจ้านี่ ปฏิเสธพระเจ้าเขาจะชอบเอาเรื่องนี้ไปพูดกับเยาวชนเนีตัวเองก็สอนให้ตัวเองในมีพระเจ้าที่ตัวเองต้องเป็นทาส ต, ต้องกราบไหว้เขาอย่างเดียวแล้วก็ตัวเองก็ต้องต่ําต้อยอย่างเดียวศักดิ์ศรีเกียรติยศนึกไม่มีเลยศาสนาทั้งหลายในยมันสอนให้เราเนเป็นทาสอย่างเดียวเป็นทาสได้ไงอ่ะถ้าด่าก็ว่าเราเดินเบลล์นี่จะวิ่งมาเรา แบบนเป็นท่ายังไงอะถึงแม้ว่าข้อแท้จริงว่าเราก็เป็นท่าจริงกันะเป็นเบา่าจริงนะตอนเริไม่ได้ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ทํากับเราเนี่เส ม, มือนว่าเราเป็นเป็นท่าไม่เหมือนเลยมีที่ไหนอน่ยเจ้านายกับเบาเนี่ยในโลกดูดิเจ้านายกับเบา่าเจ้านายกับลูกน้องอย่างเงี้ยเออถ้าถ้าเบานี่มานิดหนึ่งโอ้โหกระโดดเลย เจ้านายนี่ก็โดดวิ่งไปหาลูกน้องไม่มีไม่เคยเห็นในโลกตรเนี้ไม่เคยเห็นส่วนมากเจ้านายคนคนสูงนี่ก็จะหยิ่งจะจะยะโสไม่เห็นหัวใครใช่ไหมสแสดงว่าล้วก็แต้แบบนี้เข้าใจแหละอัลลอฮ์กลับกลับจริงหมายถึงว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ ยอมที ي ي ي ي ่จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่อยากจะให้เราเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ไร้มนติ Allah ได้ให้อภัยนบีมุฮัมมัดสิ่งแรกที่ให้อภัยนี่เพราะอะไรผูลที่ติดตามในช่วงเวลาที่สั้นัลลงีนะซี่เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขา ได้ปฏิบัติหมายถึงมุฮัจเรีและอันซารได้ปฏิบัติตามท่านนบีสุลลัลลอฮฺซ้วยสัลลัมในสาหงทีลุ่งราในยามคับขันก็คือสงครามตะบุกฤดูร้อนอากาศร้อนคนก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะชาวอันซารส่วนมากเป็นชาวเกษตรและหน้าร้อนนี่ หน้าบ้านเราเนี่ยมาเจอหน้าร้อนอยู่บ้านอย่างเดียวโอไม่อยากไปหเลยไม่อยากออกไม่อยากออกไปไหนเลยหน้าร้อนที่นู้นนิ่งกว่าที่นี่นะนี่ภาบสมุดอารามนี่ร้อนก็คือร้อนนะอุศะอุลมานีบอกว่าอุศะแปว่าลำบากอุศะอาซีร์แลว่าบากง่ายเยซีร์เยซีรง่ายอาซีร์ลำบากลำบากเพราะอะไรลำบากก็อากาศยากจน มีรายงานว่าเขามาดำเนินข้อต่อไปได้ไรายงานว่าสงคารามตะบูกนี่มีคนมาถามว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะสงคารามตะบูกเราเกิดขึ้นในช่วงที่เราขับขันมากวันหนึ่งเนี่ยนบีแจกสเสบียงเนี่ยทหารทหารเนี่ยสองคนนะนะวัน ล, ละอิมอินดารพระลำตาหมัดเนี่ยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ด เ, เนี่ยสองคนนี่ต้องแบ่งกันต้องต้องบริหารกันให้ได้ ก็มีเทคนิคอารับนี่อินพผลัมเม็ดเดียวนะีใช้ได้ทั้งวันยังงกินยังไม่ได้นะดูดก่อนดูดดูดเท่าที่ดูดได้เอาน้ำตาลเอาน้ำที่มันอยู่ดูดแล้วก็แบ่งบริหารนี่ที่เหลือนี่ก็ค่อยคยกินค่อยอ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยนี่จะไปสู้รบกันนะเนี่นยไปสู้รบกันทานอินทพลมัมวันละหนึ่งเม็ด ต่สอสคนวันเขาต้องบอกว่านี่สลับสลับกันกินสลับกันดูดสลับกันแบ่งอันนี้แกอันนี้แกนี่นี่นี่ลำบากไหมละ่ะโอ้สรับลำบากจริงๆเลยนี่ถ้าไม่มีแรงบั น, บนดาลใจแห่งอีมานนี่นะอนะแต่เหมือนที่คนที่ไม่ดีออกกับออกไปสู้โกับท่านในมิการเพราะเหตุผลนี้ ออกไปทำไมยังอยและนี่อเหตุผลของสามคนเนี่ยรวมถึงกล้าไปเปน็นแม่ลูกเนี่ยที่เขาบอกว่าโอ้อยู่ที่มา ด, ดีหน้ากันหลังสุขสบายกันหลังทำไมต้องไปออกดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมรืนเดีออ๋อีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งจนพลาดไปแล้วความลําบากชั่วคราวของภารกิจเนี่ยบางทีมันหลอกลวง ทำไมเ่ยเพราะที่ไปสงคำแต่บุ๊กนี่ไม่กี่เดือนเดือนหนึ่งไปเดือนหนึ่งกลับนี่ประมาณสองสองสามเดือนแต่สองสมเดือนในชีวิตน่ะชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้สามเดือนนะสามเดือนมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในชีวิตเหมือนที่เรายอมเรียนยอมอ่านหนังสือยอมเหน็ดเหนื่อยปีหนึ่งแล้วก็สอบเจ็ดวันยอมเหนื่อย ทำไมอะเพราะมันมีผลต่อชีวิตทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตเลยละม า, นะมาถึงเวลาละมาแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียแปบ๊บนึง่งแปบ๊บนึง่งในแป๊บหนึง่งตัวเวลาละมาบุญนะนอกเวลาต้องไปใช้ละต้องไปกด็กดอก็ดอเลยนะแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ที่ตอนขี้เกียจ ให้ลุกขึ้นให้ฝืนดูแล้วก็ออกละหมาดไปละหมาดมันก็ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีแล้วมันมันจะผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะต่างกันสุบโบอย่างเงี้ยจะตื่นโอ้ก็เกียดว่าเราเดี๋ยวนิดนึงเขายังไม่อาราณ์อาราณแล้วเขายังไม่ละหมาดยังไม่อีโ ก, กมาเนี่อีโ ก, กมาแล้วอีมายังไม่สลับเนี่ยเราคนนีก้กูเอ้อ ข้ออ้างแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีเหตุผลที่จะไม่ลุกขึ้นไปละหมาดแงนที่เราก็รู้ก่ใจว่าเราไม่อยากไม่อยากลุกขึ้นเลยเราไม่อยากไปเลยไม่อยากละหมาดเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าลุกขึ้นหรละหมาดสุบบุได้ผลละบุญมหาศาลนะแล้วถ้าก็สดจะสดชื่นหรือจะไปนอนต่อหรือจะอะไรนะมันประเดี๋ยวประเดานิดเดียวนี่ทฤษฎีเนี่ยความคิด ความคิดนี้เนี่ยของซลับเกี่ยวกับเรื่องการทำความดีที่มันอาจจะลำบากประเดี๋ยวประดาเขามองโลกดุนยานี้ทั้งหมดแบบนี้โลกดุนยานี้เนี่ยจะสิบแปสิบปีมันลำบากแต่เทียบแล้วกับอาคิร้อนนี่นะประเดี๋ยวม่าเอาทนไปเถอะเอาทนไปเถอะมีอะไรลำบากนี่ยเอาทนไหมดวนเกียร์มากดูอค่อยว่ากันซึ่งมันเป็นบททดสอบที่ทาให้หัวใจ ของชาวมดีนาเนี่ยถูกทดสอบเวียงรุนแรงอัลลอได้บอกบิบ้าดิมาคาดยซีกรุลูบฟารีกิมมินุมหลังจากอัลลอได้ให้อภัยกับดบีมุฮัมิรอนซาร์นี่ที่เขาได้ออกไปสู้รบในยามขับขันนี่หลังจากที่จิตใจของชนกลุ่มหนึ่งฟารีกิมมินุกลุ่มหนึ่งจิตใจเข้าไปยังไง ในพวกเขาเนี่ยในพวกพวกพวกชาวมาดีน้าเนี่ยเกือบจะหันเหจากความจริงหมายถึงว่าหลงจากความจริงเพราะอะไรเพราะการที่เขานึกว่าไม่ต้องออกไปสู้รบกับท่านเ บ, บิสโซโลเซลมเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่และนี่คือบททดสอบที่ร้ายแรงของผู้ศรัทธา เมื่อมองถึงคําสั่งคําบัญชาของเราสุภาดาวะตาว่าเป็นเรื่องเล็กบางทีความยิ่งใหญ่ของคําคําสอนของศาสนาเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ที่มุมมองของเราอันนี้เราต้องคหนึ่งเราบอกว่าจงละหมาดการละหมาดนะสมมติว่าละหมาด ส, สุภิยังไงใส่กระส่งระกาดเป็นเรล็กมากนะถ้าเราเทียบกับการเคลื่อนไหวภารกิจต่างๆที่เราทําแค่ละหมาดสองระกาดมันแทบจะเป็นเรื่อง เรื่องเล็กมากเลยและการที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยอาจทําให้เรามองข้ามความสําคัญของมันอ๋เรื่องเล็กถ้าไม่ละหมาดล่ะไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่มั้ ง, خ خ ر ر งถ้าไม่ละหมาดซุบบอไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่การละหมาดซุบบอนี่มันมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเรารักอัลลอฮ์ มากกว่าตัวเองหรือเปล่าเพราะคนเรานี่เวลานอนสบายๆหลับสนิทเนี่ยอันนี้คือความสุขของเราเนี่ยใครที่มาปลุกเราเนี่ยเราจะนำคาญจโมูกขเขาใช่ไหมดังนั้นการที่เราเลือกที่จะลุกขึ้นเราปลุกเราเรียกให้ให้ละหมาดแล้วเราลุกขึ้นละหมาดแล้วก็ยอมสละความสุขสบายเนี่ยอันนี้เป็นตัวพิสูจน์แสดงว่าเรื่องใหญ่และทําแบบนี้ทุกวันทุกวันพิสูจน์กับตัวเอง ตกลงตัวเองรักตัวเองมากกว่าหรือรักอัลลอฮ์มากกว่าทุกคือทุกวันตอนเช้านี่มาพิสูจน์ตัวมาพิสูจน์กันเองนะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะตกลงรักอัลลอฮ์มากกว่าหรือรักตัวเองมากกว่าแล้วการละหมาดทุกกตัวมันก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องใหญ่นะพิสูจน์ว่าตัวเองรักอัลลอฮ์มากกว่ารักตัวเองมากกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าเรามองว่านี่มันเป็นบททดสอบทุกวันที่อัลลอฮ์กำลังถามเราอะตกลงตัวเองรักอัลลอฮ์มากกว่าหรือรักตัวเอง ทุกวันที่เราได้ยินเสียงอาจารย์สุพีนี่นะถ้าเรารู้ว่าเออนี่มันเป็นข้อสอบที่เราต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ได้คำสอนอื่นก็เหมือนกันแหละอย่า ก, กินเหล้าอย่าดื่มเหล้าเราเจอเหล้าเราเจอขวดเหล้าเราชอบชอบกินเหล้ามันก็เป็นข้อสอบเหมือนเดิมนี่แหละ ขพราตอนอัลลอฮ์าหา้มกินเล่าโดยเด็ดขาดเนี่ยในขั้นสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่านี้มันเป็นมนทินมันเลอะเทอะอะไรยังไงนะแล้วก็ถามสหาม่านี่กูเลยลอันตุมบุนตะนกลงจะเลิกกันไหมเนี่ยจะเลิกกันไหมอันนี้อันนี้คือข้อสอบข้อสอบที่วินวาจาเลยนะ <laughs> เลิกกันไหมเนี่ยเขาบอกว่าสหาม่านี่พอกุณอ่านนบีอ่านนบีเรียกสหาม่านี้มามีคุณอ่านมา ซาบะก็มานั่งสนั่งรอรอว่ายูจะได้เสร็จอินนบีก็อ่านอ่านท่อนอายะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเล่าห้ามเล่าอนี้นะท้ายอายะนี้อินนบีบอกว่าฟะอันตุมุนตะฮูนซาบะสหบ้านนี่ยกมือคุกเข่าคุกเข่ากันเลยอินตะฮีนะอินตาฮีนะเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับและทุกทุกคำสอนของกุษอ่านนี่มันก็เป็นข้อสอบแบบนี้แหละที่เราจะต้องหาคําตอบ ให้ได้กับตัวเราอย่างที่บอกนะว่ากุรานนี่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยด้วยตัวกุรานเองแต่เราต้องปล่อยให้กุรานเข้ามาอยู่ในหัวใจคนที่จิตใจของเขาเนี่ยเขวไปเนี่ยห่างไกลไปจากความจริงอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกนี่เพราะยอมยอมให้ความสําคัญกับความสุขสบาย เก็บเกี่ยวผลผลิตนอนในบ้านเย็นๆไม่ต้องออกไปตากแดดเพราะการที่เราเลือกความสุขสบายนี่มันถือว่าจิตใจของเราหนี่ห่างไกลจากความจริงใช่ถ้าหากว่าเราเลือกความสุขสบายที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสิ่งที่อรอรได้สั่งซึ่งมันจะมีความลำบากบ้างสั่งให้ละหมาด แต่การละหมาดนี่จะลำบากจะลำบากและความสุขสบายนี่ก็คือต้องต้องออกห่างออกจากการละหมาดและไม่ทําละหมาดมันจะได้สุขสบายนี่เนี่ยมันอยู่กันตรงกันข้ามห่างจากความจริงแน่นอนเทียบได้เลยนะครับทุกเรื่องข้อห้ามที่ a l ล a h ห้ามไว้สิ่งที่ Allah ใช้ไว้ซุมมมาาาบออลลยิ สิ Sing, Allah ain, aw, um ung ung ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนพวกเขาซุ่มมาตาบาไลฮิมแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาอันนี้ย้ำนี่หมายถึงอัลลอฮ์ย้ำในผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่เสียสละที่ออกไปสู้รบกับท่านนบีสุลต์ละวะไลอุสัลลัมหน้าบิฮิมราูฟุลรหีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตารหีมผู้ทรงกรุณาราูฟุลรหีมผู้ทรงเมตตาราอูฟุน ผู้ทรงกรุณาโรหีมบางทีเนี่ยก็สลับกันนะนะอย่างเมตตาเนี่ยส่วนมากก็จะใช้คําว่าโรหิมแต่นี้ก็มาใช้คาว่าโรอูฟเพราะคาว่าโรอูฟกับคําว่าโรหิมเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกันแต่โดยเนื้อหาที่ลึกซึ้งในภาษาอรับเนี่ยรอูฟนี่ยมันมีส่วนส่วนของความสงสารเมตตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องสงสาร แต่ระอู้ฟุนนี่คือต้องสงสารต้องมีความรู้สึกต้องความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเขาอยากจะเมตตาเขาเพราะเขาก่อนแอนี่ระอู้ฟุนเนี่ยจะมีความหมายเพิ่มเติมตรงนี้แต่กี้นี่คือภาพรวมของบุคคลที่อัลลอฮ์ต้องการในมุสตะานี่เอามาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนี่ก็จะเป็นภาพ تىقد بنها عن يساقم في مدينه و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ل ي ت و ب إن الله هو التواب الرحيم. ك ا خ د مني مني بايكم النبي م ا ي ب ي ك م م ج ر ي الأنصار سيصلحكم ك م ه ص ในสงครามตะ บ, บุแต่เขาได้สำนึกผิดสำนึกในในความบกพร่องของเขาก็คือสามคนอัลสลาซะอัลลอยังยั ง, ย, งยังให้กำลังใจนะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่กระทาผิดก็คือไม่เชื่อฟังนบีไม่ได้ออกไปสูร้รบแล้วไม่มีเหตุผลด้วยอย่างที่เคยเล่ากล้ า, าไปแมาเลยบอกว่าบอกกับท่านนาบีท่านนาบีครับผมนี่ มีต ก, กะความสามารถในการโตเถียงทำให้คนที่ฟังผมเนี่ยต้องยอมรับในทศนะเนความคิดของผมแต่ผมรู้มั่นใจในตัวเองว่าถ้าผมจะเถียงท่านนาบีเนี่ยผมจะหนีความจริงไม่ได้เพราะผมรู้ตัวว่าผมเนี่ยมีความสามารถตอนที่ท่านนาบีเรียกให้เราออกไปเจอผมนี่มีความสามารถ แล้วผมไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะบิดพิ้วหรือไม่ออกไปสู่รมกับท่านอันนี้คือหมดตัวเลยหมดเบือกเลยยอมรับในสารภาพเต็มตัวเลยผิดผดิแบบไม่ดิ้น่ะผิดแบบไม่แบบไม่มีข้อแม้เลยอ่ะมันวิ่งมาด้วยนะ้ผม ผมได้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นนะ่ะผมพอดีคือมันต้องคือส่วนมากนะเราในเวลาขอมอัพเนี่ยมันต้องมีเหตุผลให้ให้เขารู้ว่ากูไม่ไดีผิดไม่ไดีผิดเต็มตัวนนะเออขอมาอัพ น, นะวันนั้นนะ่ะที่ไปต่อยมึงนะ อ, อ่ะมาฮับด้วยนะพอดีตอนนั้นนะ่ะพอดีมีปัญหายเยอะแล้วก็ผมกดดันจริงๆอ่นะ ส, สรุปแล้วนที่ต่อยนี้ไม่ผิดนะ ไอ้ที่ไปชกกูนี่ไม่ผิดอย่างเงี้ยไอ้ไปขอโทษภรรยาเขานี่ขอโทษนะที่มาวานนี่มือฉันเนี่ยไปไปล่วงเกินไปไปทุบตีไปอะไรนะวันีตอนนั้นนะที่ทำงานนี่มันโอ้โหนี่มันนวนกดดันคือถ้าผิดนี่ก็คือผิดส่วนตัวเองมีปัญหาอะไรกดดันเนี่ยก็ไปเองก็ไปเคียก ไ, ไปเคียกมันแต่ไม่ใช่เอาเหตุผลนั้นนะ่ะนะ เพื่อมาประดับประดาความผิดว่าเออมันไม่ผิดเต็มเต็มการมเห็นไหล็กบอกในไม่เลยครับผมนี่ผิดเต็มเต็มเลยครับผิดแล้วก็ความสัตย์จริงของกรรมนม่แเล็กนี่แหละที่จะไม่เข้ารอดเวลาเราขอมาอัพเวลาเราขอเคลียอะไรกับใครเนี่ยผิดนี่อย่าให้มีข้อแม้ไม่ต้องหรอหรอก เขผิดแล้วนี่มันไม่ไดไม่ดีหลอสักทีไม่ต้องหล่อผิดก็คือผิดไม่ถูกก็คือไม่ถูกอัลลอฮ์บอกว่าเวลาสั้นสักทีและอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่ชายสามคนเพราะอาย่านี่นี่ว่าว่านี่หมายถึงว่าและอัลลอฮ์ตออบัดอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยกับนบีและมูฮัจรีละอัลซอรและชายสามคนอัลลอฮ์ก็ให้อภัยด้วย ใครชสาคนนี่มาทบทวนี่เคยบอกกันหน้านี้แล้วนะคือกาบอับนุแมลิกแลวกมุราระอับดุลรบียมุราระอับดุลรบีแล้วก็ฮิลาลอบนุอุมัยยะนะสคนนี่กาบอับนุลแมลิกมุราระอับนุรบี บางเรื่งานบอกว่าร์บียะอิบนุรบับ يعة ที่ถูกต้องนี่อิบ nu รบับยานี่แหละและว้วก็ฮิลาลอิบน u อุมัยะสามคนก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้รายงานอะดีสของก้าวอิบ nu แมลิกเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปสงครามคนเดียวที่ที่ที่เบี้ยวคนเดียวแล้วก็เลยถามญาติพี่น้องว่ามีใครบ้างไหมที่ที่ไม่ได้ไม่ได ไปจิฮาดกับฉันเนี่ยแล้วก็สารภาพกับนบีเหมือนฉันนะพราว่ามีอยู่สองคนเนี่ยมุราระอับนุลรบีะมุราระอับนุลรบีะแล้วก็ฮิลาลอับบุอเมียและผมได้อ่านท่อนหนึ่งในรายงานของไซบุคอารีและมุสลิมนี่ว่ากาที่มาล็กได้บอกว่าฉันก็ได้อุ่นใจระดับหนึ่งที่สองคนนี้เนี่ยเป็นชาวบัตจได้หมจำได้ไมไม่เป็นไร ไม่เป็นไรการม่เลยคือตอนลรกเขคนนี้คนเดียวใช่ปะ่ะและการไม่เลยก็ไม่ได้ไปสงครำบัตรแต่เขาบอกว่าพอถามแล้วนี่มีใครบ้างเขาบอกเขาสงคนนี้เขาก็เลยอุนใจว่ะนี่การไมเป็นคนพูดนะอุนใจว่าเอสคนถ้าคนระดับไปสงครำบัตรบอกแล้วเนี่ยคนที่ไปทําสงครำบัตรกับท่านนาบีเนี่ยไฮโซอ่ะคือคนคนคนชนชั้นสูงอ่ะถ้าสงคนแบบนี้อ่อนแสดงว่ ส, สบายใจก็ไปอ่าน ไม่อนการการวิเคราะห์อับนุกะซีรบอกว่านักประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดทั้งหมดเขาบอกว่ามุราร์อับดุลระบีอัลกอฮิเลลเนื้อเขาไม่ได้ไปสงครามบัดไม่ได้ไม่ได้มาสู่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อคนที่ไปในสงครามเอาแล้วก็ท่อนนี้เนี่มาจากไหนท่อนนี้ซึ่งอยู่ในสุบฮารีนะท่อนนี้อยู่ในสุบฮารีเพรากฏว่า ในสายรงงานนี na, ่น uh ี uh ่ยมีอิมามมุฮัมมัดมุสลิมอัลจูฮรีคนนี้เป็นนักรงงานฮะดีสที่ดังมากดังที่สุดดังที่สุดเลยนักรงงานฮะดีสเขาบอกว่าความผิดพลาดน่าจะมาจากอัลจูฮรีนี่แหละเฉพาะท่อนนี้ท่อนที่บอกว่ากาบิมาลิกบอกว่า ฮิลาลบินอุมัยลากับมุราร์บนิน ร, รับยานีบินชาวสงคาา์านบาพราฮก็นี่น่าจะเป็นความผิดพลาดที่อาจจะราย ง, งานจากฮะดีสอื่นมาปนปนกันแล้วก็ผิดพลาดในเรื่องรายชื่อเอ้าเป็นไปได้เป็นไปได้คนระดับพวกนี้เนะี่ยเขาไม่ได้ท่องจำ40หะดีสของอิบมาฮนาวีนะ เขาไม่ได้ท่องจำสักสักร้อยบทหะดีสพวกนี้เนี่ยเขาจำฮะดีสเป็นหมื่นบทสายราย ง, งานหะดีสจำเป็นแสนถ้าเขาผิดพลาดครั้งส่งครั้งเนี่ยนี่ถือโอ้ยถือว่าบุญถือว่าสุดยอดแล้วเหมือนเรื่องอิสราอและก็มีอรอจของท่านนบี รอันท่านอับดุลลบอับบาสในบรีในช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งอับดุลลาบบีอับบาสบอกว่าท่านนบีท่านนบีขึ้นไปไปอิสราอและก็มอรารนี่แล้วก็กลับมาแล้วท่านอีงาอิชานี่ได้สัมผัสสัมผัสกับที่นอนของท่านนบีก็ยังอุ่นอนอยู่อุ่นอุ่นอยู่ นักรายงานฮัดิทั้งหมดเนี่ยนักตรวจสอยบอกว่าทั้งหมดอวันอนี้นี่เป็นความผิดพลาดของนักรายงานฮัคนหนึ่งชื่ชอดีกบนาบลอันนมารีเป็นนักรายงานหัดีสพอใช้ได้โอเคแต่ผิทดทาไมอ่ะเพราะตอนอิสรอลมอรอรนี่อยู่ที่มกักกะ์นบียังไม่ได้แต่างงานกับเจ้านอิ่าอันนี้อันนี้ผิดแน่นอนแล้วอยู่ในไบุรีอ่านซบุรีนี่มีัฟเ ง, งีย ใช่ไซบุคอรีเนี่ยอาจจะมีฮะดีสเนี่ยสิบบรรทัดแต่มีท่อนหนึ่งดอยนิดแต่ไม่ได้ดอ้อยทั้งหะดีสต้องเข้าใจนะไม่มีนะไซบุคอรีที่ดอ้อยทั้งบทแต่อาจจะมีคำและนี่คือความละเอียดของฮะดีสเนี่ยมีท่อนหนึ่งมีคำหนึ่งที่พลาดที่ไม่ถูกต้องเป็นไปได้ไซบุพอ่อไซบุคอรีและมุสลิมเนี่ยไม่ใช่คู่อ่านมีผิดต้องมีผิด พอเธาไม่มีผิดเลยก็คื อ, อนี่พี่นพแต่ไม่แต่คนี่บอกว่านี่ไ ง, งก็แสดงว่าดอยก็มีดอยมัลดุ้เ ย, ยอยแะแยะเลยนี่ยเขาเอาแค่ตัวอย่างตัวนี้เนี่ยแล้วก็ลากมาเออแสดงว่ามัลดุยดอยมัลดุย้ยเยอะแยะเลยบุครีใช่ไม่ได้เลยอันนี้อันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแน่นอนนี่คือสามคนนะอัลลีนะกคนลฟูที่ไม่ได้ออกไปสงครามออันนี้ คำแปลแบบนี้ไม่ไม่ถือว่าผิดนะคุณลิบูคือกิริยานี่หมายถึงว่าเขาถูกปล่อยเขาก็เลยแปลว่าที่ไม่ได้ออกไปสงครามอา้าวแล้วทำไมแล้วทำไมเรียกว่าถูกปล่อยปกติแล้วเนี่ยไอ้คนที่ไม่ไดีไปสงครามเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าตะคันละฟูมุคันละวีนะตะขันคือเขาปล่อยเขาอยู่ข้างหลังเขาปล่อยไปแต่นี่ใช้กิริยาคนลิบูถูกปล่อย เพราะถ้าใช้กิริยาปกติเนี่ยเขาปล่อยนี่ก็แสดงว่าพวกนี้มีความสำคัญพวกนี้เขาเขาเขาตัดสินใจเองว่าจะไม่ไปไม่อัลลอฮ์ต้องการให้เห็นว่าการที่ไมไดีออกไปสงครามนี่นะมันคือโชคร้ายของพวกเขาว่าเขาเนี่ยถูกทิ้งไปถูกปล่อยเหมือนอายา่าเียวดได้พูดในสุดแต่ว่านี่มันกันผ่านไปแล้ว ولو أراد الخروج لعد له عدة تخويع تأبجاتين لأني خرجتم دوا ولكن كره اللهم بعازهم طالق ليت การที่เขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้ในห้องดังร้องฟสบบาทุมอัลลอฮฺจึงทาให้เขาเนี่ยถอดถอยแล้วก็ถูกทิ้งไปวกี้แล้วเ ا าก็ดูมาไกลที่นั่งยู่นั่งอยู่กับที่เนี่ยทำไมถึงวา การที้เขาเลือกไม่ออกไปสู้รบเนี่ยมันเป็นการลงโทษต่างหากแค่ไม่ออกไป j ิ h า d เนี่ยแค่นี้เลยก็คือยังไม่ต้องรอให้มีอะไรมามาม า, มาลงโทษนะแค่นี้ก็คือการถูกลงโทษแล้วส่วนบางคนดิเขาเวลาละหมาดไม่ละหมาดจนเวลาละหมาดว่าโอ้ฉันไม่ได้ละหมาดจนเวลาละหมาดเดนเราจะลงบาลานะไม่ต้องรอลงบาลานะไอที่เองไม่ละหมาดนี่มันก็บรลุแล้ว ที่ตัวเองไม่ไดีแล้วมาตัวนี้ลาวหมดนี่นะไอ้แค่นี้น่ยก็อาสาบแล้วคือการลงโทษแล้วเข้าใจไหมบางที่เนีะยล่ะดูดิคนที่ทําความชั่วแล้ยังไม่ลงบาลานะเลยเขาทําความชั่วทําบาปเยอะแยะในมือแล้วลงบลาลก็ที่เขาทําบาปนี่ก็คือลงบลาลอี่นี่การที่เขาไม่ไม่ได้อยู่ในความดีงามที่อัลลอฮ์ต้องการจากผู้สถานี่แค่นี้นี่ก็คือการลงโทษแล้วไม่ต้องไปหวังว่า ต้องโอ้โหเขาต้องโดนรถชนต้ตงองยากจนต้อ ง, งส่วนมากเนี่ยเราจะเข้าใจว่าบลาลี่ฟ้าผ่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮูอัลลอฮ์ลงบลาฟ้าผ่าน้ําท่วมฮะแผ่นดินไหวหนี่ถึงจะบลาลีเราทิ้งละหมาดไปกี่วัคตูแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ลงบลาลีเราอย่าอย่านึกอุ่นใจนะองจริงแต่เราทําบาปเราทําำคำชั่วนอกก็ยังไม่ได้ลงบลลี่เรา ม่เหนฟ้าผาไม่เห็นอะไรไก็คือไอ้ที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่เนี่ยมันก็คืออาสาเป็นการลงโทษในตัวแล้วอัลลอฮฺจึงบอกว่าคุนลิฟูแต่เขาแปลว่าที่ไม่ได้ไปสงครามอันนี้ก็คือคําแปลที่พอได้แต่ทัศนะที่ถูกต้องที่กล้าแบบในแม่เล็กเนี่ยตัวซาบะเองเนี่ยที่ได้บอกนะว่าคําว่าคุนลิฟูเนี่ย คนลิภูเนี่ยถูกปล่อยเนี่ยไม่ใช่ถูกปล่อยไม่ออกทำสงครามนะไม่คนลิภูถูกปล่อยให้รอการตัดสินว่าอัลลอฮ์จะให้อาภัยหรือไม่การว่าเล็กฟันธงในเรื่องนี้คำว่าคนริภูเนี่ยหมายถึหมายที่ว่าเราไม่เด้ออกสงครามคนริภูเนี่ยที่เราที่อัลลอะ์ทิ้งเราที่ปล่อยเราเนี่ยรอสักพักหนึ่ง เดูดูว่าอัลลอฮ์จะตัดสินเขายังไงจะให้อภยัยหรือไม่อภยัยให้รอรอไปก่อนช่วงที่รอรอกี่วันจำได้ไหมห้า ส, สิบรอห้าสิบวันเดือนกว่าเกือบสองเดือนห้าสิบวันไม่มีใครคุยกับเขาไม่มีเคยรับสลามไม่มีใค ร, รมไม่มีใคร มองหน้าโดยเฉพาะท่านนาบีไม่มองหน้ามองหน้าก็ไม่มองหน้าเนี่ยให้รอนะให้รอให้รอในสภาพแบบนี้จนกระทั่งสองคนนี่ทนไม่ไหวต้องอยู่บ้านร้องไห้อย่างเดียวแต่ก้าวจะแม่เล็กนี่ตอนนั้นยังนมอยู่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะอ่อนแอ ในช่วงที่ต้องมีอีหม่าตีเข้มแข็งเ ข, ขาก็ใช้ชีวิตปกติก็ออกไปมสัสยิดไปละหมาตีมสัสยิดกับนบีแล้วก็พยายามจ้องมองนบีดูว่านบีจะมองเขาเปล่าพอเขาพอเขาไม่มองนบีนบีก็แอบมองเขาพอเขามองถึงนบีนบีก็หลีดตาคือความความรักระหว่างนบีและซาบะ แนี่บัญชาขององค์พาาระผู้เป็นเจ้าแล้วต้องปลอยขอดเขาขปนารนบีนี่ก็ยังสงสารเขาแต่พอเขามองหัน น, น, นนบีเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเดี๋ยวเขาจะนึกว่านบีจะจะให้อภัยเขาแล้วเนี่ยนบีไม่ไม่ ย, ย, ยังยังยังยังยังไม่มียังไม่มีทางรอดนี่แหละสภาพที่ทําให้เขารู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยอันกว้างไปสาลนี่มันคับแคบไปหมด حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما علي รับบทว่าดกต์ عليهم อัน فسهم ต้นเระห์แผ่นดินได้คับแคบแก็พวาเขาทั้งดังดีดีมันกว้างใหญ่ไพศาลวตระกตาเลยมันผู้ซุ่มและตัวของพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยอดอดสภาพแบบนี้เนีมีใครเอาด้วยกับเขาเนี่ย ว่านูอั ا إ ลล่มัลจามินอัลลอฮิอิลลัอิอลาพวกเขาคคาดคิดกันว่าคาดคิดเนี่ยเขาแปลตามคําว่าวัานูแต่ที่จริงเนี่ยวัานูเนี่ยอุลามาทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่านูเนี่คือเขามั่นใจไม่ใช่แค่คาดคิดนะ่ะเขามั่นใจแล้วว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดเพื่อให้พ้นจากอัลลอฮ์ไปได้จะหนีหนีจากอัลลอฮ์เนี่ยไปหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ อิ่ลาอิเลฮ์นอกจากกลับไปหาพระองค์ตุ้มมาต้าบอาเลยฮิมเลียตูบูแล้วพระองค์ก็ส่งอับยาตโทษให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวสํานึกผิดต่อพระองค์อินนัลลอฮะฮุอัตตะวาบุลรหิมท่าจึงนั่นอัลลอฮนั้นคือผู้ผู้ทรงอัยโทษอัตตะวาบนี่อย่างที่บอกนะอัตตะวาบตะวาบนี่ เป็นนามที่มีความเข้มขน้นถ้านามธรรมดาเนี่ยแต่อิบแต่อิบนผู้กลับแต่แต้ตาวาบนี่กลับบ่อยกลับบ่อยแปลว่าอะไรอัลลอฮฺน่ะเป็นผู้กลับกลับบ่อยนะอย่างที่อธิบายกลับบก็เบาของพระองค์นี่ทําบาปทําบาปก็ห่างไกลสานึกผิดก็กลับอัลลอฮฺก็กลับมาเบาของทำบาปอีกก็ห่างไกล สำนึกผิดก็กลับอีกลอัลลอฮ์ทำยไงก็กลับอีกครั้นเมื่อเบาของพระองค์นี่สำนึกผิดเมื่อไหร่แล้วก็กลับเมื่อไหร่นี่พระองค์ก็จะกลับอีกอัตวาบอัลลอฮ์จึงสรรเสริญคนที่ไม่ยดเต้บาบัดครั้งเดียวนะอ uh ินนะัลลอฮยูฮิบุตเต้าวบีนเหมือนกันอัลลอฮ์ทรงรักใครเพราะกลับเนื้อกลับตัวบ่อยไม่ใช่บอกว่าเออฉันเตบาบัดตัวแล้วเรียบร้อยแล้วครั้จบล้ครั้งเดียวจบ เพราะไม่มีหรอกเราก็จะต้องมีบาปตลอดแล้วก็ต้องกับเนื้อกับตัวตลอดอัลรอฮมผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอมาจบที่อายานี้นะครับที่สรุปจุดแข็งของสามคนนี้และสำหรับผู้ศรัทธาที่ทุกคนที่จะมีทางรอดเหมือนสามคนนี้ ยาเอ๋ยเหล่าที่น ا ้นอามาตต์ทุกข์อัลลอฮ์และกุนุ่งกับาศึกินอัสตาชนดังไลาเพิงยังเกรงอัลลอฮ์เถิดอัตตุกขลลอฮ์ละจงอยู่กูนูจงอยู่มารวมกับข้าศึกีนบรรดาผู้ที่พูดจริงกับอับดุมาลิกมุราห์อับดุรบีย์ฮิลาลอับนุอุมัยนี่ที่รอดนะเพราะอะไรเพราะ ไอ้คนอื่นที่มาโกหกนบีมาสาบานเท็จกินนบีนี่เขาไม่รอดไงสุดท้ายนี้อัลลอฮ์ก็แฉว่าพวกนี้นี่ใช้ไม่ได้เป็นผู้ปฏิศสธท่าแท้เลยไม่รอดแต่พวกก็ว่าสามคนนี้เนี่ยเขาก็ทําเหมือนที่ไอ้คนอื่นก็าทำนะก็คือไม่ได้ออกไปสู้เราเขาทำเหมือนกันเลยนะแต่สามคนนี้เนี่ยไม่ได้มาโกหกมาต้อนแอกกับท่านนบีไม่ได้มาสาบานเท็จกับท่านนบีเขามาบอกตรงๆกับท่านนบีสารภาพกับท่านนบีว่าเขาทําผิดเต็มตัว ข้าม่เลยก็บอกว่าข้าพเจ้านี่รู้ตัวเลยว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ที่ทำให้ฉันเนี่ยรอดนอกจากพูดจริงความจริงมันมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่คุ้มกันคุ้มครองผู้คนไม่ให้ ไม่ให้เกิดความเสียหายในกิจกรรมในกิจการในกิจการที่เกิดขึ้นกับคนอื่นสามีภรรยาถ้าพูดจริงต่อกันนะ่ะความเป็นครอบครัวนี่มันจะยั่งยืนมัน่นคงเพื่อนสองคนนะ่ะด้วย เพื่อจะเป็นเพื่อนนั่นอะไรกันเพื่อนเรียนเพื่อนค่ายเพื่อะไรก็ตามถ้าเป็นเพื่อนกันนะถ้าพูดจริงกันนะเออนานเราเป็นเพื่อนนานแต่ส่วนมากในที่เป๋ๆกันนี่เนี่ยอีกหน่อยหนึ่งก็งอนกันอีกหน่อยหนึ่งก็โกรธกันอีกหน่อยนก็ระเด็นกันละเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องโกหกนี้แหละพิการกันนสามีบป็นอะไรแบบนึงก็ยั่วลแบบนึงก็ยั่วล แต่ที่มีตัวบทฮะดีษเห็นชัดเจนนะท่านน บ, บีสุลต่านละอัลเลาะห์สัลลัมได้พูดเกี่ยวกับสองคนที่เป็นผู้คู่สัญญาซื้อขายหรือสัญญาลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นธุรกรรมด้านการเงินคู่สัญญาที่ซื้อขายเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าสองคนเนี่ยสอดกะถ้าได้พูดจริงกันนะนะอัลลอฮ์จะให้ สัญญาซื้อขายของเขาเนี่ยสัญญาธุรกรรมการเงินง เ, เนี่ยมีบรารกะจริงจริงเลยคนที่ขายสินค้าบางนี่นะมีตําหนิตรงนี้นะคือลำบังแต่คนซื้อนี่ตัวเองก็ไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าตรงนี้มีตําหนิต้องแบบบกต้องเจ้าของสินค้า น, น, นี่นี่มีตําหนินะบงัง น, นี่เปิดได้ดูนะมีตําหนิแต่ตัดสินใจเองนะ ถ้าจะซื้อเนี่ยอนี้นะมีตำหนิแล้วก็ผมราคาราคานี้นะนี่แล้วแล้วแบงังสบายใจเลยเอาไปรู้ว่ามีตำหนิแต่ไอแบบว่าขายนี่งบงสวยไหมนี่สวยไหสวยสว ย, สวยนะโอเคนะโอเคนะคนะจบตรงนี้นะจบ <laughs> ไอคนคนดีชต้องสงสัยแล้วมต้องมีอะไรสักอย่าง พอกลับบ้านแล้วนี่ก็ไม่ไม่ได้สะตักรอนีไม่ไมดไ้สัตว์จริงกันไงพอกลับบ้านแล้วนี่หูคืนแล้วก็ไอ้ประเภทที่ของที่ซื้อแล้วนี่ห้ามคืนอันนี้ผิดหลักการนะของที่ซื้อแล้วนี่ห้ามคืนใช่ถ้าไม่มีตําหนิและตรงสเปกตามข้อตกลงแต่ถ้าไม่ตรงสเปกแล้วก็มีตําหนิที่ไม่สามารถมองเห็นตอนซื้อ แล้วก็ผู้ขายไม่อธิบายเนี่ยอันนี้อนนอนไลก็ได้เขียนรูไลบสิทธิจะคืนนเป็นสิทธิโดยปริยายของสัญญาซื้อขายแม้แต่ถ้ามีสารชาริยาน่ะนะต้องคืนต้องคืนอ๋อผมเขียนป้ายไว้แล้วเนี่ยเขายอมรับเนี่ยป้ายนี่โมคะเป็นสิทธิโดยปริยายของสัญญาซื้อขายถ้าไม่ตรงสเปกถึงแม้ว่าเขียนไว้แล้วก็เขาดูแล้วไง แล้วกเห็นแล้วนะ่ะเขายอมแล้วไนงะส่วนมากนี่เขา อ, อ้างของคนที่ไม่สัตว์จริงอ่ะคือพ่อค้างโงโงๆเนี่ยที่จะมักจะพูดแบบนี้เนยที่ไม่มีความจริงไม่มีความสัตว์จริงแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยทุกกรณีที่มีมนุษย์สองคนมาอยู่ด้วยกันนะ่ะถ้าเขาพูดจริงกันแต่เขาสัตว์มีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันนะ่ะนะเอออยู่นานอยู่ได้นาน แต่บิดพิ้วกันเมาาือ่อไรโกหกกันเมื่อรนั่นนะ่นนะั่นะนะนะคือปัญหาใหญ่ไงนะก็ฝากไว้ให้เป็นเป็นธรรมนูญชีวิตนะเราจะพูดจริงร้อยเปอร์เซนทุกเรื่องนี่มันยากมันยากแต่ก็มีคนเมื่สมัยอัลฮัตยาเนี่ยอัลฮัตยเนี่ยเป็นบว่า เ, เป็นผู้นําที่อาธรรมมากเลยปรากฏว่ามีคนหนึ่งกบฏกบฏอัลฮัตยาเนี่ยอัลฮัยาเนี่ยก็เลยไล่ล่าเขาก็รู้ว่าต้องไปหาเพื่อน อันนี้ก็ไปแอบไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนเข้ามาเฮ้ยคนนั้นอยู่เปล่าเขาบอกว่าอยู่แอบอยู่ตรงนี้หั่ญาติเาบอกว่าไมทํามทำไมเขาบอกว่าข้าพเจ้าสัญญากับพระเจ้าสัญญากับออนไลว่าฉันจะไม่โกหกในชีวิตหั่าอย่างที่เป็นแบบว่าคนบุรีที่สุดในเลวที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้แกพ่อแกแกพูดจริงเนี่ยฉันให้อภัยเขาละมีหาริสบทหนึ่งแต่ฮาริสนี่มันด้อยหน แต่ดิสเน่มันเป็นวลีที่อุลามะเขาใช้กันแล้วก็บิสูจน์ด้วยเหตุการณ์หลายอย่างที่เขาเล่าเรื่องแบบนี้มันสาดกันน่ะพู้ใดที่พูดจริงนี่น่ะน่าจะรอดคือจริเราก็มีเรื่องของเก้าอย่างมเหล็กซาดกันน่าจะพูดจริงแล้วรอดแต่คนส่วนมากนี่เฮ้ยถ้ากูพูดจริงก็สวยดิส่วนมากมันสวนทางกับดิสน่เฮ้ยถ้ากูพูดจริงก็สวยดินี่พูดพูดจริง พูดจริงแล้วรอดอ น, นี่ก็สุดแล้วแต่นะแล้วแต่เราจะคิดแล้วแต่เราจะบริหารดูความสามารถของเราทีฝ่าผ่าไฟแดงตำรวจเรียกผมไม่เห็นครับผมจร <laughs> ิจริงนี่มันแดงแปดเลยผมไม่เห็น <laughs> มันยังงูหนึ่ง ชีวิตของเรานี่ก็มีเยอะนะกันสุดแล้วแต่นะเราพยายามกําชับกําชับให้พูดจริงให้มากที่สุดโกหกให้น้อยที่สุดให้น้อยคือที่จริงเนี่ยพูดนี่มั น, มนก็น่าอายนะคือโกหกไม่ได้แต่ในเมื่อมันก็โกหกอ่ะโอ้โหจะโลกดุนยานี้เนี่ยคนส่วนมากก็โอโลกดุนยานี่จะไม่โกหกได้ไงอ่ะถ้าแบบว่าอดไม่ได้เนี่ย ขันลิ้นนะต้องโกหกนะแต่เองขนาดนั้นนะนะ็ขอให้โกหกให้น้อยที่สุดได้ไ้น้อยที่สุดทำไมอ่ะโกหกไม่ดีท่หนบีบอกว่าในข้บุคคลมุสลิมอินนัสิด ق h د ي إ นะความจริงสัตความสัตจริงพูดจริงเนี่ยมันจะนาไปสู่คุณธรรมคุณธรรมก็จะไปสู่ส่วนสวั ว่าอินทรลัคนีจะย่อดีลฟุจูร์อินทรฟุจูร์ะยดีลนรกการก่หุ่มมเที่เนี่ยนำไปสู่ความชั่วร้ายความชั่วร้ายก็จะนําไปสู่ไฟนรกนะครับผู้จริงกับสามีภรรยาผู้จริงกับเพื่อนผู้จริงกับลูกน้องผู้จริงกับเจ้านายผู้จริงกับเจ้าหน้าที่ผู้จริงกับทุกคนที่เรามีธุระอะไรกับเขาเนี่ยให้ให้และนี่คือเนี่ยคุรานี่ สะทอนภาพให้เรานะอยากจะอยู่กับอซเดียกีนเนี่ยคนที่พูดจริงเนี่ยนะเราก็ต้องทำแบบนี้นี่หน้าที่ของเราแล้วแต่ถ้าเราทำไม่ได้เพราะเราโกหกบ่อยไม่รู้จะเลิกยังไงนี่ให้คุณอ่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงสันดานของเราปล่อยให้คุณอ่านนี่มาชาระมาล้างทาความสะอาดบิกคีนิง่งให้คุณอ่านนี่ทำหน้าที่ จไมคุรอ่านจนาที่แล้วเราไม่ได้อ่านกุรอ่านไม่ได้ฟังกุรอ่านุรอานก็ต้องอ่านกุรอ่านบ่อยๆต้องฟังกุรอ่านบ่อยๆศึกษาเรียนรู้กุรอ่านบ่อยๆไม่งั้นจะใุรอ่านมาชระเองไงมาล้างยังไงคับเบญคนีนครับอสลลลลฮุอะลัะีอัลอฮซัลลัมี่น้องมีข้มธรไหไม่มีาไหน่าไหนก็ตาม ตอนนอนนี่ไม่มีข้อห้ามที่ถูกต้องที่มีหะดีษซอย์นอนคว่มที่มีหะดีบันติวมติรมิีว่าว่าเป็นท่านอนของชาวนรกหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นหะดีซอยฟะนั้นจะนอนควม่มนอนหงายนอนตะแคงแต่ที่เป็นสุนัขนอนตะแค ง, งข้างขวาสุ น, น, นัขนบีถ้าทำได้ก็ได้ก็ดีถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ตะแคงซ้ายหรือตอนนอนนี่ก็ พลิกไปพลิกมาดีตอนนอนเราก็ไม่รู้เนี่ยวอยู่ท่าไหนตอนตอนเริ่มนอนเนี่ก็จะแขงขวาเนี่ยนะแต่พอตื่นนะเอา้าทําไมอยู่ข้างเนี่เกิดเกิดเองนอนไงมันไม่บาปไม่ผิดอะไรเลยนะนอนท่าไหนก็ได้ครับตอบแล้วจริงไหมถ้าเออเรานอนเ้าหันหน้าไปตรงนีไม่มีข้อห้ามเหมือนกันในในบาสิกะเขาข้ายื่ไนไป ก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อห้ามที่เป็นหลักฐานนะแต่มันมีเรื่องสารลับเขากําชับเรื่องมารยาทในเวลาเวลาเรานั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็นั่งยืดขาอย่างเงี้ยต่อหน้าเขามันก็เออมันก็ไม่เขาบอกว่านั่งต่อหน้ากาบ้านเี่ยืดขาอย่างเงี้ยมันเสียมารยาทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นตัวบทหลักฐานที่เป็นข้อห้ามนะและเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องมารยาทเนี่ย มันไม่เหมือนฮะดีสบทหนึง่งเชิดบันย์บอกว่าใช่ฮะขอยรู้มัจเลิซีมัสตุกบบลับิลกิบละถ้านั่งที่ดีที่สุดนี่คือถ้านั่งที่หันไปทางกิบละนัแสดงว่าอันนี้อันนี้ส่งเสริมถ้าเราทํากิจกรรมดีๆนะเช่นอ่านกูรอ่านซิกร์ลอนนี่สมควรดูอาอย่างเงี้ยสมควรที่จะหันหน้าไปทางกิบละอันนี้อันนี้มีตัวบทละแต่ไอตัวบทที่จะส่งเสริมทําอะไรหรือไงอย่างเช่นถ้าเราบอกว่ามีคนบอกว่า ถ้าเรากำลังอ่านกุอานนี่ก็ต้องนั่งท่ากตมาอย่างเดียวหรือท่านั่งเหมือนนั่งนั่งระหว่างสุู้ดอย่างเดียวท่าแบบว่าอ่านกุศานั่งท่าอื่นไม่ได้ไม่จริงเพราะในกุศลนี่นั่งซิกุรุล้อนี่นั่งท่าไหนก็ได้นอนอ่านกุานได้เนีย่ยในมีทัศนคติของเราคนอ่านกุศลท่านอนไม่ควรใช่ทำได้ เวลาอ่านอกุรศีดอนนอนเอายังไงจอเนี่ยจอเนี่ยถ้าจะสัมผัสจอนี่นะต้องมีน้ําละมา่แต่ถ้ามีปากกานี่อุลามาก็ได้บอกว่าแม้กระทั่งกุูอ่านเนี่ยถ้าเราไม่มีน้ําละมาดแล้วก็แล้วก็พิกหน้าด้วยด้วยไม้เนี่ยด้วยช้อนด้วยตะเกียบอย่างเงี้ยอันนี้ทําได้คือไม่สัมผัสที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่มีน้ําละมาดนะ อ่านกูดอ่านได้แต mm ่ห้ามสัมผัสก็เหมือนกันแหละถ้าไม่โดนนะก็เป็นไรก็เหมือนที่ใช้ปากการออะไรหรือถ้า a ออบอกว่าพิกก็ได้เันไม่รู้นะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ฟัดว่าเบื่อไว้เลยอันนี้นะ ส ل l a m u a l a i k u m warahmatullahi